แนะนำบทอัชชัมบทอัชชัมเป็นบทมักกิยาะมีสิบห้าองค์การซึ่งสาธยายถึงเรื่องสําคัญสองเรื่องคือหนึ่งเรื่องของมนุษย์และสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบังเกิดทั้งความดีและความชั่วแนวทางที่ถูกต้องและทางที่ผิดสองเรื่องการล่วงละเมิดขอบเขตของชนรุ่น ก, นกอ่อนอัลลอฮ์ได้ทรงทําลายล้างพวกเขาอย่างราบคาบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วยเจ็ดสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงบังเกิดมา พระองค์สงสาบานดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมันด้วยดวงจันทร์เมื่อมันโคจรตามหลังดวงอาทิตย์ด้วยเวลากลางวันเมื่อมันขับไล่ความมืดของกลางคืนด้วยแสงสว่างของมันด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาลด้วยความมืดของมันแล้วด้วยเดชานุภาพที่ทรงสร้างชั้นฟ้าโดยปราศจากเสาด้วยแผ่นดินและด้วยชีวิตของมนุษย์พระองค์สงสาบานด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้ว่า มนุษย์จะได้รับความสําเร็จและประสบชัยชนะถ้าเขามีความยำเกรงอัลลอฮ์และเขาได้รับความล้มเหลวและขาดทุนถ้าเขาละเมิดขอบเขตและหญิงยะโสและพระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องของชาวสมุทกลุ่มชนของนบีซอลเละเมื่อพวกเขาปฏิเสธ ร, รอยูญของพวกเขาพวกเขาละเมิดขอบเขตและก่อความเสียหายบนแผ่นดินพวกเขาได้ฆ่าอูดซึ่งอัลลอฮ์ทรงบังเกิดมันมาจากหิน เพื่อเป็นปาฏิหาริย์แก่นบีสะละห์อะไยฮิสลามเรื่องความไหยนะของพวกเท่านี้จะยังคงเป็นบทเรียนแก่ผู้มีวิจารณยญาณและเป็นแบบอย่างแก่ทุกผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้กระทำความชั่วและผู้ปฏิเสธบรรดาหลอซูลของ AH อัลลอฮ์ต่อไปด้วยพระนามของอ AH, ัลลอ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ขอสาบานด้วยดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมันและด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามหลังมันและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสง และด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาลและด้วยชั้นฟ้าและสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างมันและด้วยแผ่นดินและที่พระองค์ทรงแผ่มันและด้วยชีวิตที่พระองค์ทรงทําให้มันสมบูรณ์ แล้วโรงทรงดลใจให้มันรู้ทางชั่วและเกิดความยำเกรงแน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสำเร็จและแน่นอนผู้หมกมุ่นด้วยการทำชั่วย่อมล้มเหลวาหา พวกสมุติได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขตเมื่อคนเลวสามที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปฆ่าอูตโตเมียและรัสูลของอลัลลอฮ์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทำร้ายอูตของอลัลลอฮ์ และอย่าขัดพวกเขาไม่ยอมเชื่อนบีและพวกเขาก็ได้ฆ่ามันดังนั้นพระผู้พิบาลของพวกเขาจึงได้ทำลายล้างพวกเขาเนื่องด้วยความผิดของพวกเขาและพระองค์ทรงลงโทษพวกเขาอย่างเท่าเทียมกัน และพระองค์มิทรงหวาดวันต่อบ้านกลายของพวกมัน